คุยกันเล็หนอยนะคุยมานานไม่ได้เพราะนานสังงานมากในเที่ยวโลกต้องลาพกกระองค์กลับแนะ่ๆนะไม่ละ่ะสำคัญในที่สอดแน่นะมันมาเหมานะมาเหือมานใะนะสมบัติของพระโฉดาบันนั่นะมหือมานะีนะ่มันเหลือชายนะนะั่ไปขลาดนัดเนี่ยชอบใจก็เช่นไม่ชอบใจก็ทิ้งนะ <c oughs> ซื่อมาหลายก็หาปัญหอนะนะันหนึ่งอันหนึ่งนะนั่นขนมเช่นหนึ่งเช้นหะนึ่งนั่น นะขนมก็ขนมต่างชาติใช่ไหมนะโกงเบอร์ลินแดงนเยอรมันนะโก ง, งประเทศแดงฝรั่งเศสนะโกงรันดอนแดงนะอ้าวอเมริกายกยกนะ <c oughs> นี่สั้นด้นน่ยให้ตั้งอกตั้งใจนะอยากิี้เต็นตีเทียวอยาคิีเต็นตีเทียวน ะ, นวนะ <c oughs> เห็นมักเห็นผลเทียวนั่นพระเวชสนรนทให้เลิกว่าเทนะ แผ่นเรนวยทั้งเจ็ดครั้งเนี่ยนัเขาพูดอีกอย่างหนึ่งก็แปดครั้งแต่เห็นพระไก่บุญโด้ก็เจ็ดครั้งแผ่นเรนวัยวทั้งเจ็ดครั้งเนี่ยเขาองค์บางเพนทานนะแต่ไม่มีใครให้ให้ทานให้อะไรนะเนี่ยบันทําไมว่าพระเอกรนะจนที่สุดไม่มีเงินที่จะบำเพ็ญทานเนี่ยนะเชิญกลับเข้าในพระนครกรุงศิีเลนะเนี่ เสเพลในข้างหนั้นนะอ้าวรัตนะมันเกิดตกลงมารัตนะนะคนอื่นมาแยงเอาไม่ได้นี่คันเข้าในคังของพระเวสสันดร น, นะยังมีอยู่คุเข้าใจไหมแต่คนคนอื่นแย่งเอาอ้าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปแล้วนายเข้าใจไมนะี่มันเกิดสมบัติมันเกิดเฉพาะพระเวสสันดรไง โอ้มาสกุบาญช่าจิตเด็เดียวนะตัดแข่งทําไหนสมบัติจะเกิดขึ้นเฉพาะแม่นะเข้าใจไหมเฉพาะเฉพาะแม่ไม่ละคอย ใ, ใส่ใจไว้นอยากกินตนดนะอยากกีติร์ดีเท่านั้นกิเติร์นดีบไม่ได้คนไม่ชาเทถินน่ะโบราณครับพูดไวว่า ไม่ผัวเมเมียก็ทะเลาะกันร่างกายไม่บริบูรณ์นะบักแหว่งตาบอดบางหูหลวกบางเนี่ทะเลาะกันไม่มีความสกนะนั่นไม่บ่นนะก็เป็นโจรพิการไปนั่นนำความชั่วมาหาพ่อหาแม่นะโทรกรดิ่ชาการพ่อแม่เอาเงินไปรับประกันหรืออะไรนะยบัโหไม่แค่เล่นเดียวนะเนยไม่หมาก็หมาขี้เหือนนะ ไม่ควายควยเขาเลยตลอด น, นั่นเมียนาก็นาเฮะนั่นอื ม, มันเป็นประเทศนั่นคนอัอปรีนะนะั่นหาช่าเชนเย็นก็ปิดปิดกึ่เคืองนั่ น, น, นอันตมาจะเล่าคนจนให้ฟังนะอคนเ ม, มชัดิเทนะาเมชัดิเทไปเกิดในตะโกนเมชัดิเทตะโกนแม่ไปขอทานได้กินน่ะ อัเด็กคนนั้นนะเม็ดแฉที่มาเกิดในท้องอ่ะตั้งแต่นั้นไปขอทานไม่ได้กินไปยังไงเขาเกลียดนะเขาด่านั่นต้องเอาเด็กเอาเด็กวางไว้วิ่งไปขอได้กินนั่นแล้วก็มาได้มาพ้อนเด็กด้วยเนอะไม่งั้นไม่ได้มาพรอเด็กนะนั่นนี่สำคัญนะที่เป็นเดนะไปอยู่ในท้องหน้าแม่ให้อับรยแม่แต่ก่อนแม่นะ ไปขอไปขอเขาเขาก็ให้กินอิ่มเนาะกินขชา้ากินเย็นนะเอาเด็กมันอยู่ในทองทนี่ไอ้คริตตินีนะมันคนไปได้กินเนี่ยเว้นองค์ขริมายแม่องค์ขริมายนนะี่เขาในเจ้านะบินไปบัดเลี้ยงนะเสือดิฉันเลี้ยงฮะพระองค์นะบอกว่าเราเกิดมาชาติอริยชาติไม่ได้ทําบาปนะพราของศรอันนี้นหะยังได้กินนะียแมให้ให้พ่อหญิงไปทองนะอืม응 คือไม้ไมควายมันนี้ไม่รู้อะรั่วแน่ๆ น, นั่นนะ้ผู้หญิงมีท้องกันไปเขาบอกองค์รีบานมาเป็นทมาดแล้วใช่ไหมข้านขงนอทหัวนอทพวมันขาดที่ท้องใหญ่อะเ <c> จ <oughs> อเนะอะเอาองค์รีบารไม่มีท่าที่อ่ะแม้ยังไงเนนะเด็กมันจะตายยังไงเนะ <c oughs> ่ยเราเกิดมาชาตินี่นะชาติอริยะไม่เคยฆ่าสัตว์ขอให้หญิงเนี่ยออกลูกง่ายๆออกไก่เนี่อ ตั้งแต่นั่นมาองค์คุริมาได้กินข้าวไม่ต้องรบกวนพระองค์แต่ก่อนนะพระองค์แบ่งให้นะอให้เองให้ไม่งั้นต้องตายกระดิงกระหานนะไม่ได้กินเบี้ยงอวัยวะต้องตายดินี่นี่นะสัญได้ก็ได้ข่อยตังอกตังใจอยากคิดจริงดิยาเหนียวแน่นนะไม่งัวก็งัววายจันแรกเขาหนอ เขาเลตลอดหมาก็หมาขี้เงินนะเข้าใจไหมนาคนนะัเหนื่อยแมะนั่นเวทกรรมกร้าอายยากสอนอยากนไงนั่นมไม่ประกอบเที่ยวนะนั่นเพราะเหตุไม่มีผลก็ไม่มีเข้าใจไห ม, ย, มยากทีก่จะดีงั้ น, นมไม่ใชนะ่ละเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับจับฟังอย่างอย่างที่กล่าวมาไนงะนั่นไม่ต้องทําสมาธิแล้วนะโคนะดกันสดๆดือดร้อนนี่นะเข้าใจไหม <laughs> เมนะเมื <dollar> ่อแม่ได้ยินได้ฟังแล้วโอปนิโกน้อมคาปฏิปติบูชานี่พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะพยก็จะเห็นในสงฆ์ในพระนพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกระละเวลาดังอัตมะอัตมาวิสัชชิศาสนามาเอวังก็มีด้วยประกาได้เชนในธรรมนะ ได้แผ่เมตจาจิตไปถึงกําเนิดสี่ก็ดโดยนาฏจิตของมิตรดามนดานเดืงเกิดด้วยเหื่อคลายเดืองลอยไปเกิดเดืงนี่เกิดด้วยนำเดาเดืง่งนี่เมกําเนิดเกิดนะออือเยกไดแพ่เมตตาจิตไปถึงกําเนิดสี่นี้สําคัญมากที่สุดอื สวดสวดอับปังนั่นนหะคือหมายความว่าอับปางนั่นแนหะทุธาเนี่ยมันมันคล้ายๆกับว่าทำรรมาจักนะอืเซ็งได้นะความเกิดความตายเปน็งงนย่นงงางันย่างันย่างันนะนั่นไม่มัวเมาในชีวิตทั้งตัวนั่นสวดอับปังนะเว้าเรื่องการเกลียแกแกเกลียเกลียเฉียดตายนาในไม่มัวเมาใน ชีวทในตัณหาของตัวให้ได้ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่อันนี้อับปังในนี่นะยันโดนยันโดนค้นนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง น, ะ น, น, นะนี่นี่แหละสามนิยะานี่อือสส่วนตอนท้ายการเอวังในการเทศนะนั่นหัน หันมายังยาเดวตาเดินดังปติดนาสระพันยะปทังพันามเสนวาตาสันเวียนราวาเชน กามาจะเดชะในกามาจะอสสระสะพานาผูทตาสกิตาภวันโตแทอาเมปิรุกคัส อันทมพาวาสังแสนายาตาอาธามวาปะติกาในยาณในกังธามมาวัลหังปะเจตจเต อาจารย์รีน้อยบทเพลงสามนนมะริยามวเตต อันดอนในเมตังอาวะมังคะะอัญชาโยจามนาปสกุลนาสาสะโนยปปะกหนุตนะสเนกันต มุทหะโนาภาอเวนนาวินา ใจามานาพอสั ก, กนานชาช n โน้ฮ์บาปกาหนนานุษณะสุินาค า, าอันตานสังฆานาาุภาเวนวินานสาเณรโต จากวารสนอตรากาจขันตุเวตาสัทธามโมนิราญาสานนนทศกมนัง ท, ท่านายังเถเพยท่างได้นานได้เฝ้าได้ลักษาหัวทั า, ทาลอกแห่งโลกะไนวัดวาาสนานาทางผูพ แล่ห์หอมหูไอทางตนผุ้ไอ้ราแหว่าเขาถูกแท่า ท, ทาและถืออันหาทาถูกฐานน้ำแด่วังปลายนสาลา Brathe, hang a ใจใจโดยสะอาดตาจงแนดงเข้ามาฟังอย่างพระธรรมมาเทศนาตามกันตามเวลาโดยผู้ขาข้างใ้ทา นามยังกิาลาสุตังสละพันยะปะังภันนามาเสวะวัดเยห์วิตังอังอดังโอราหวัดสาสะตาฮาปิเมห์ยาติ ย่อเฉะปีจ่าอิดอิดอิเจ่าเยวะตีทักขุขสารสหปิเมเยาตีันติยานามาม่ายแน่นะาหิสันเทนเนจ่ามาเร็กมาเร็กาห์ นามแม่วาสิทธิ์อิศะยีดังอิเตศวันนาังกมามาวเสะนนปังอังอังปิยะตยังโพเลโสมมยีัิมันมันยะตเอตัมปปิ แวาปัอันอนดีตนมมทายแมตมมมมก้สูบีแนนปตงหงอังรีเอกาังปัุุทธนาปััดัสาธเตนมปีปปญาิต่างห่างอังญาณัง เปตั้งการละกตตาังอัตภัตปัตยตินิทาปิสุตาปิเตยานะยสังนะมะมินาปะวุปปะวุปยาตินามะเมวาสิเอตเอชาติอคเอยังเอตัตสายันสายันติโน โอกาปารีเดว่ามันอาชารังนายังหันแต่ก็ ท, ท, ทมามามามามาทมมนนึงตตัดสมาโมนะยปาลิกเอกางฮิตาวาจะเร่งสุขแหมัดมนัดสินอปารีเรนอาจร อ, าจ อ, าจ อ, าจอัดอัจจาปีกเอกคน พยามานดัดสั่วิเหตุธรรมมาสนางสมาิย่ามหุดัดอดสตังยออตนนังภาวะแห่ดัดมาดัดสิแมงสัพมาธามมนิอดิติสิตโตนาปยังการุปาตินอพิอภิพยัง ตัสดสามิปิเดวามัทธาชรังปณวัณิยธาณ ร, นารปนเรปปติอุดัดินดุยธ า, ป, กโกโกาปิโปขะระเมวัณิยธ า, า ร, นารปนเรปปติเหมิปิิรปปติ ยาดีดังเด็กนาสุตามุเตมุเตสุวาทอโนนาหิตะว่ามันมันาติยาดดังเด็กนาสุตามุเตมุเตสุวานันเยนาอุยสุดที่มิดมิมิาตินารัดยาติโน วิลัตวิลัตญาติเตียนกระตุ้ดัชนีบรรลัษย์ย่จะประคดสหัตถม กัลลาบุตนับปันยะตาสัตยมัตสวันห์สิเมบรลักษ์สิคอยยันดาเนสัมปทภิรากิตาแตนอายั ปาริสัตมังสรงองเอธาสมาตาสาธุัยโยพิคุสังโฆอะโรตธรมมะเสนาอาญจะปาริสัตมัง อาทิตอตวะสุขน้อยโนันเทียมพมวะเหตุในผลในเที่นั่น <c oughs> พระ อ, องค์โพธสวรรค์เป็นสวรรค์จริงเกงนโะ <c oughs> พธ อ, อาบายภูมนะันลกเป็นนรกจริงเกงไม่รีโพเดตเป็นอื่นเหมือนบูทิชนนะั่น แล้วอิมพีกอนเครื่องศาสนาไม่ใช่ไม่ของทดลองนี่ทดลองแทก่อนนะเรื่อมสายที่เหลืองไม่ชินนั้นทำจริงลงไปเท่านั้นทดลองไม่ได้ทดลองไม่ได้อายุน้อยแนย่บางทีไม่จริงใจจะไม่ถึงสวรรค์นิพพานนะเพียงทดลองนี่แปลว่าความสงสัยนะไม่แน่นอนจิดลงไปนี่ไม่ละวันนี้นะ อุ ม, มาศอุ ม, มาสกาพรานเดยพระแดน ม, มาราสถานที่เป็นมงคลณะที่ใ น, นสงัด<ม>อากาศเดอากาศเดนะอากาศทะเลนะอากาศทะเลเป็นอากาศที่บริสุทธิ<ม>์คนไม่ใครเจ็บใครป่วยเหมือนอากาศที่ภรคอีสารนะมีพวกเขาเหล่ากานะ เป็นโรคมาเรียโรคมาเรียใบไม้มันขังฝนตกลงมาขังนั่นม่กลิ่นเหม็นนะเป็นเชื่อสายคนโรคมาเรียกันมากนั่นไม่ละอากาศทะเลนะอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ละการหาดฝึกขาดจิตในโพธิทนั้นให้ชํานาญในโพธโทให้มากที่สดุด เพื่อความพลังพลาดของเรานะนั่นเพราะอยังไงทำไมพูดเช่นนั้นอำนาจพลนพอไม่ปักตเดียวปรกตเดียวนะนั่นเกนละของพวกเราบัทัง1อยแปดปรกตนะไม่จะแชร์ไปทั้งอื่นนะนั่นมีเข้าพโทไม่ทัน<ค>ไม่ทานความท่วงทีกันะตายของเราไม่นะไม่นะนั่น การตายของเราม่น่าจะเข้าพุทธสานที่ท่วมทีหรือเปล่านะพุทธทางสนนังกระ้าไม่แล้วถึงพระพุทธพระพุทธเจ้าไหมนั่นไม่ล่ะนาหวาดเสียวนาใจหายที่สุดเพราะบกตของเรามันลอยแปบกโตกิเลสนะมันจะแช่ไปทางโน้นแถวมันคุ้นเคยทางไหนเมื่อต้องไปทางนั้นได้ไง แคนานฝึกหัดพุทธอให้เด่นเนื้อพุทธอได้หน่พุทธจิตของเราเพื่อความพลั่งพลาดว่าน้ําต้องว่าเหนือที่สุดเพื่อตกใจนะนั่นการตายของเราครั้งเดียวนะครั้งเดียวขวนเสียวนะมัเรียกพุทธอได้เรืเปล่านะนั่นเมืม่อมาองค์สมแต่พระพมีผ้พาพองกราดว่าความเชื่้องกลัวมาถึงแล้ว ขนพองสยองกล้ามาถึงแล้วเนะี่ยพึงระลึกถึงท่าพึงระลึกถึงพรท่าโคตมกลัวหายไม่นะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะแม่แย่มาจากน้ําพระทัยของพระพเจา้าเป็นพระมหากรุณาเนะี่ยองสมเด็จพระนเรศวรท่านไม่กลัวตานะสิเกเรตแล้วนะี่น เจ็ดของท่านนะ้าพระทายของท่านเทลกถึงอมตรธรรมนะวิมกวิมุตนะนัะ่นเราถึงท่านผู้วิเศษนะวิเศษนะเราเป็นพุทธบริษัทของท่านนะนั่นแม่นะเราได้รับมรดกมาจากองค์สมเด็จพระพระมีภาค พ, พร้อมทั้งบ ร, รมมาเชตพร้อมทั้งคราะห์หัตถินในเทีนทยนนะ่คือหมายอ่างพระกลายพิดกนะ ไม่ต้องวางในองค์สมเด็จพระพระเมีภพไหนจะเข้านิพพานในกรุงศรีนาดาในครั้งนั้นอม ม, อมมอบให้สองนะให้สองเป็นใหญ่ให้อมาสกอุมาชิกาเป็นใหญ่ทนุบำรงสาชนายเต็มไม้เต็มเมรนะร่ำรวยนะชื่อชื่อยศเรื่องรือในมนุษย์โลกสวรรค์นะนั่น ไม่ละสำคัญมากไม่ใช่ว่ามีแต่พระรับในดกทานทั้งหลายรับบนในดกแนะพะองควางพระทัยนะว่าทัยนะนั่นทถานตอยางไม่เชียววัดอยู่นั้นทถาคดปกครองด้วยตนเองบัดในทถาคตลาพวกเธอเข้านิพพานนะนั่นมอบให้งเป็นใหญ่บริหารพระษาษชนะมอบให้องค์บาสกุลมาสิกาเลี้ยงพระน่นั่น พ่อหญิงเป็นแม่พระนะพ่อชายเป็นพ่อพระนะก็ทําไมพ่อเช่นนั้นนะก็พูแต่ตามสายของศาสนาวา่าไม่ระวางเทอพระชาออกบวชนะต้องลาบิ ด, ดามัรดาญาติเม็ดนะไมให้เกาะเขี้ยวนะนะมาถือชาเมืองนะเป็นพ่อเป็นมานะดันเทปนันอามาศกเป็นพ่อพระนะปุมาิกาเป็นแม่พระนะ พระพระสึ่งแปลว่าประเสริฐ น, นั่นไม่ว่าฉันไหนคนใดนะขามทวาโลกรักบุตรมากที่สุดโลกน้ำมันออกมาจากอุบาศกอุมมาสิกาเนี่ยไอ้พระเนเนนั่นเรื่องศาสนาก็ออกมาพระเจ้าออกมาจากท้าสัทธนะนามหาสิลมายาณนนมันออกมาจากญาติยมนะนั่น ราเธเนาะติยอมยลรักบุตรมากที่สดุดไม่ภากกลางหุงข้าวเสร็จแล้วต้องให้ใส่ซามให้เด็กกินเสีย ก, ก่อนรักเด็กมากนี่ยตัวยังไม่ไกินนะนั่นราเธเนยะใส่บาตรให้พระเสีย ก, ก่อนถึงได้กินทีงหลังแนะ่นั่นเหตุนั้นเรียกว่าอุบาชิกาเป็นแม่พระอุบาสกเป็นพ่อพระนะี่ย ท่านเหล่านีหนะน้าธนุบำรงสาธนาเต็มไม้เต็มมือนะหนไหนสร้างวัดวาศาสนาแทนั้นใ ส, ใสว่าตสพกให้พระเน่นั่นพระพระเน่แปลว่ารถยนต์นัเว่งไปสู่พระนิพานนั่นพร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพร้อมทั้งอัฏฐประโยชน์พร้อมทั้ง การเรียนพร้อมทั้งวิปชนานะหากว่านถน้นำมันหมดแล้วญาติโยมนะนะอาศัยให้มันวิ่งไปได้แนะนะ่เพียงวัดของพระมันอยู่ด้วยญาติโยมแนะนะนะ่อยู่ในญาติโยมแนะ่นกะำลังมาจากไหนมาจากพวกญาติโยมนะนะ ย่าจไม่ไม่เลี้ยงพระจะมีกำลังหน้าทีไหนจะรักษาพระพุทธศาสนาได้ไมมล่ะฉันใดก็ได้ขอยต่างอกตังใจให้มากที่สุดเราเป็นอมัสกุบมา ส, าสกาโดยกลองโดยกลองปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะันรับโมนดกอันใหญ่พวกนี้โมนดกไม่สองเชนต์นะโลกไอ้โมนดกแดง เรื่องศาธนาโมนดกแนะนะ่นๆแล้วแกโมนดกนะ่ะเข้าหมายความว่ากษัตริย์กษัตริย์เมืองพระราษฎร์หรือกรุงราชคือห่านนั่นะพระเจ้าพญาพิมิสารท้าพญาเธอสวรรคตลงไปแล้วนั่นพระเจ้าสตรูแทนนั่นะ พรามหพศานแสตามพศานวุฒิพมลกตายลงไปแล้วนะ่ะคุณบุตรรับแทนนั่นไม่แหละเป็นมรดกของโลกีนะนั่นนี่แหละองค์สมเด็จพระพมยาภาพระองคตวะนา่นไอ้มรดกอันใดนะไม่ไปเถียงนะเธอนะเธอนะนั่นบางทีเธอต า, ตายก่อนมรดกเดยนั่นบางทีเธอขอมรดกแล้วนั่น มนดกอันนี้มันจะสิ่หาในเจ้าระายอักีภายลาสภายไม่วันใดของวันหนึ่งนะนะ โ, โซมอนดกของเธถาคตไม่ได้การบำเพ็ญทานไปแล้วนานก็มาได้พบได้ชาติได้ร่ำรวยนะไม่ทุกไม่จนนะเกิดในตระกูลใหญ่กสัตว์แงพรหมหาศาลเศรษฐีมหาศาลหนึ่งนี<ม>่ไม่นะมดกอันนี้นั่นคงที่ที่เดียวนะ ก็ไม่ได้ยินในฟังไงในพระกลายไปดกว่าเขารักทานกันรักศีลกันรักภาวนากันเปล่าไม่ไดีในตายตัวอะไรทีเดียวนะพวกท่านนะเขตดนะเครื่อหมายความมาทำบุญนะมันไม่เคยน้อยก็ทำดิกาไว้ในมนุษย์โลกนะอะไรยังไม่เที่ยงชีวิตของพวกท่านเนะี็นั้น าตายตรงไปแล้วจะไปเบิกอาสมบัติบนสวรรค์เทวโลกคือเคลื่อนเทียนะนั่นไม่ไ่าฉันได้